เจอคำถามเนี้ยติดกันมาตลอดยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับคำพยากรณ์อะไรเลยก็เลยเป็นเหตุให้ต้องไปหาอ่านซะหน่อยหลังจากเจอคำถามของลูกค้าที่มาดูดวงก็มีรุ่นพี่และเพื่อนๆหลายคนที่รู้จักพอได้อ่านข่าวมาก็รีบกดโทรศัพท์มาหาทำเสียงตากตื่นตกใจกันมากๆสงสัยกันว่าคำพยากรณ์จะเลวร้ายตามที่เขาทานายรอเปล่าความเป็นจริง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 กลับพยากรผิดไปซึ่งเจตนาของเขาอาจจะต้องการให้บ้านเมืองแตกแยกและพยากรเข้าข้างเจ้าหนายตัวเองหมอดูบางคนก็ยังมีอคติส่วนตัวอยู่คาพยากรที่ออกมาอาจจะมีอคติส่วนตัวมีความชอบไม่ชอบอยู่ด้วยเราอาจจะย้อนกลับไปดูคำพยากร่าเก่าๆของหมอดูที่ได้พยากรณ์มานั้นจะทำให้เห็นตัวอย่างได้ว่าน่าเชื่อถือได้มากแค่ไหน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 เ, เมื่อเกิดในไทยต้องโตเป็นไทย